นตังชิตังสาธุชิตังยังชิตังอวะชียติตังโขชี้ตังสาธุชิตังยังชิตังนาวะชียติความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นมิใช่ความชนะที่ดีความชนะใดไม่กลับแพ้ความชนะนั้น เป็นความชนะที่ดียินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับรุณขออากาศทุกวันมาพบกับธรมุฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมห า, ายบูบย์อาภิปุณโนมาเป็นผู้ดำเนินรายการ ในทุกวันอากาศนั้นเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่เราจะมาฝึกทําจิตให้มีความสงบเอาชนะกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเรามาเริ่มทําเรามาเริ่มปฏิบัติกันเลยทุกโม่ฟังเอาชนิดที่เป็นรูปแบบคนไทยเนี่ยมันติดรูปแบบกันนักใช่ไหมเอามาเลยมานั่ง ไม่ต้องไปไหนหลับตาด้วยไม่พูดคุยกับใครอยู่เฉยๆไม่สนใจอะไรสังเกตดูแค่ลมหายใจของเราทำไมต้องเริ่มตรงนี้มันโดนเริ่มที่สติโมฟังทุกอย่างเนี่ยจะขับรถไปไหนจะไปไหนอะตั้งสติก่อนจะทำอะไร จะทำงานหรือว่าทำกับข้าวล่ะก็ต้องตั้งสติก่อนจะคิดอ่านอะไรไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องกลัวก็ต้องตั้งสติก่อนจะมาปฏิบัติให้มันพ้นทุกก็ต้องตั้งสตินี่แหละก่อนตั้งสติขึ้นตั้งสติยังไงสติคือการแยกแยะท่านบุฟังสติคือการระลึกได้ท่านฟัง สติคือการแยกตัวด้วยสติคือการระลึกรู้ด้วยมันหลายอย่างในนี้เราเริ่มต้นที่เราหมาใชจเอาแค่รู้จักสังเกตก็พอเริ่มต้นที่การสังเกตสติเนี่ยนะสังเกตดูอนะไรสังเก ต, ะเกตจะดูอะไรก็ได้คุณจะสังเกต ด, ดูคนเดินผ่านไปผ่านมาคุณจะสังเกต ด, ดู สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือสังเกตดูร่างกายของเราดูอริยบทเออมันจะเป็นยังไงเดินยืนนั่งนอนสังเกตดูร่างกายในลักษณะที่มันเป็นอวัยวะต่างๆมาต่อกันสังเกตดูนี้เขาเรียกว่ากายยะกตาสติคือดูอวัยวะดูอริยบทหรือว่าจะสังเกตดูพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธานุสติดูจะประทนมีคุณอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไรสังเกตดูสีของเราเองดูก็ได้ผู้เรียกว่าสีลานุสติจะมาสังเกตดูความดีของคนอื่นคนนั้นก็มีความดีคนนี้ก็มีความดีหนึ่งเรียกว่าเทวตานุสติในที่นี้ให้เรามาสังเกตดูลมหายใจของเราไม่เอามากเอาน้อยๆเอาธรรมชาติเอาธรรมดาไม่ต้องบังคับสังเกตดูเพื่ออะไร เพื่อให้เกิดสติไงมีสติแล้วเอาไปทำอะไรให้มีสมาธิให้มีปัญญาเอาสมาธปัญญาไปทาอะไรเหรอาไปต่อสู้ไวเป็นอาวุธคือปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาวุธเอาอาวุธเนี้ยคือศีลสติสมาธิปัญญาเป็นอาวุธไปต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในจิตใจ ของเราตัวเราทุกวันนี้นะทุกฝังคนเหล่านี่มันเป็นเหมือนซอมบี้เห็นคนเดินไปตามตลาดเดินทางขึ้นเครื่องบินขับรถไปมาพื้นที่จิตใจไม่ได้เป็นของตัวเองอยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีเดี๋ยวก็ไปตามเจ้านายสั่งบงังอู้ให้รีบไปที่อะไก็ไปบางทีลูกสามีภรรยามีปัญหาก็รีบไป บางทีเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เอา้าลูกค้าเรียกมาต้องรีบไปบางทีก็จะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการสอบเรื่องการอะไรต่างๆคือไปตามสิ่งเราไปตามสิ่งกระตุ้นที่จะให้รักหรือให้ชังถ้าไม่ชอบบางทีก็ต้องไปก็นี้ไปไงถ้าชอบบางทีก็ไปคือตามไปไงแต่ทั้งชอบและไม่ชอบบางทีก็ต้งหนีทั้งตาม วิ่งวุ่นไปหมดไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไปตามสิ่งกระตุ้นของสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิน้นการรยและใจมึงที่ไม่ได้มีโซเชียลมีเดียไม่ได้โทรมาแต่มันคิดถึงเขาอะ่ะคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนี้รุ่มใจทาไงก็ต้องไปมึงที่ไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่เฉยๆนะะแต่ว่าจิตใจมันไปแล้วจิตใจมันวุ่นไปแล้ว มันก็ไม่สงบมันก็ฟุง้งซ่านไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เป็นไปตามกระแสะของตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่มันพัดเอารูปเสียงกลิ่นรสพทธบารมธรรมารมพานเข้ามาในจิตของเราแล้วจิตเราก็หวันไหวถูกเรา่าถูกกระตุน้นตามสิ่งที่มากระทบนั้นให้เกิดไปตามอำนาจของราคะ โทสะหรือโมหะราคะก็วิ่งเข้าหาโทสะก็วิ่งหนีโมหะก็งงงงมึนๆไม่รู้จะไปยังไงนี่ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นในจิตราคะก็ทําให้หิวจึงวิ่งเข้าหาโทสะก็ทําให้ร้อนจึงวิ่งหนีโมหะก็ทําให้มืดจึ ง, งงงงงมึนๆไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนี่คือสภาวะของจิต น, นะแต่สภาวะของกาย บางทีมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละลักษณะสถานการณ์เช่นบางทีโกโรธวิ่งเข้าหาก็มีโกโรธนี่คือโทสะใช่ไหมแต่ไม่จิตใจเนี่ยต้องวิ่งหนีแต่จิตใจวิ่งหนีไม่พอใจวิ่งหนีแล้วแต่วิ่งเข้าหาจะไปทำร้ายนั่นคือโทสะเกิดขึ้นได้ทั้งังจิตใจคนเราที่มีผัสสะมากระทบแล้วกระตุ้นให้เกิดราคะโทสะโมหะ ป ร, กรากโศมโหหที่เกิดขึ้นกรอบงำจิตใจของบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นก็ไม่เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเป็นเหมือนสมมัมบีเป็นเหมือนผีผีนะไม่ใช่ประผีโลกผีโกรธผีหลงเป็นผีแล้วก็เป็นผีพนันด้วยเป็นผีสุราด้วยเป็นผีเที่ยวกลางคืนด้วย มันเป็นไปได้ผหวังนั่นไม่ใช่ตัวของเรานั่นคืออำนาจของกิเลสกิเลสที่มักจะมาครอบงำใจใจของเรานั้นมันก็ถูกกระตุ้นมาจากภาษาที่มากระทบเราจึงต้องตั้งสติขึ้นก่อนแยกแยะส่วนนี้ออกไปก่อนเพราะไม่งั้นจิตเราจะไม่สงบจิตเราจะไม่สงบมันก็เอาเอาวุธออกมาใช้งานไม่ได้กำจัดกิเลสก็ไม่ได้ ดังนั้นเบื้องต้นเร า, าเริ่มตั้งสติด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องสังเกตปราสริ์คือการสังเกตสังเกตแล้วมันจะเริ่มแยกแยะได้มั น, นคือไผ่คือจิ่ของเรานี่แหละจิ่ของเราเขาจะเริ่มแยกแยะได้ต้องคอยสังเกตดูบางคนไม่ทันสังเกตงง ง, งมึนมึน เมาเมารวมๆไปผิดพลาดได้นะต้องรู้จักสังเกตให้ดีทักษะการสังเกตนั้นสามารถฝึกได้เนื่องจากเป็นทักษะนั่นเองฝึกจากการสังเกตลมหายใจจะสามารถทำให้เรามีทักษะการสังเกตแล้วเราก็จะสังเกตอารมณ์สังเกตความรู้สึกสังเกตความคิดสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทางกายทั้งทางจิต สังเกตแล้วเราจะเริ่มแยกแยะได้เป็นทักษะที่ใช้คเครื่องมืออะไรก็ได้นะบางคนใช้คเครื่องมือคือกายคืออริยบทบางคนใช้คเครื่องมือคือการฝึกทํางานบางคนใช้คเครื่องมือคือมาสังเกตพระพุทธเจ้าคำํำสอนต่างๆพระธรรมหรือสังเกตความดีของตอนเป็นศีลพวกนี้เป็นอนุสติได้หมด ทีนี้เรามาลองสังเกตดูลมหายใจของเราสังเกตดูเฉยเฉยไม่ต้องบังคับให้สั้นหรือยาวเร็วหรือช้าที่หรือห่างแรงหรือค่อยสังเกตดูตรงไหนท่านก็รู้สึกตรงไหนก็สังเกตมันดูตรงนั้นแห ล, ละล่ะลองหายใจแรงๆดูสักสองสามครั้งก็ได้ รับรู้ถึงสัมผัสที่ตำแหน่งไหนสังเกตอยู่นาที่ตำแหน่งนั้นการสังเกตระดุฝังปกติแล้วต้องที่ตำแหน่งเดียวไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาเคลื่อนไปขึ้นมาเล่าชังสังเกตได้ไม่เอาที่ตำแหน่งเดียวโดยทั่วไปก็จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในบริเวณบรงจ ม, มูกด้านกลา ง, ลางเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่น เวลาที่เราดมกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยากลิ่นอาหารบริเวณด้านในโพรงจมูกซึ่งบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่ อ, อ, อนไว้รับกลิ่นต่างๆอยู่มากโดยทั่วไปก็มักจะสัมผัสได้บริเวณนี้บางคนอาจจะเป็นบริเวณที่นอกโพรงจมูกมาอยู่ทางด้านบนลิมฟีปากก็ อ, อาจจะเป็นได้สำหรับบางคนบางคนอาจจะอยู่บริเวณปลายจมูก มัค น, นจะอยู่ลึกเข้าไปอันนี้แล้วแต่เอาจุดเดียวพอจุดเดียวพอจุดเดีย ว, ดดยวที่เราจะสังเกตดูมันยามเต็มเ ป, ปี่ยมไปหยามที่เขาจะสังเกตดูคนเข้าคนออกกูยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าวิ่งตามจับเลยนะโ้ยกว่าจะอย่างนั้นได้นี่ยกูต้องสังเกตมาก่อนสังเกตดูเนี่ยดูอยู่จุดเดียวจากจุดที่เป็นป้อมยามในที่นี้เราาลมหายใจ เป็นป้อมยามให้ยามคือการระลึกได้คือสติมาอยู่ที่ป้อมทางเข้าทางออกนั้นคือหูคือลิ้นคือจมูกคือตาคือใจอัยตนาภายในต่างๆเหล่านี้เป็นช่องต่างให้อัยตนาภายนอกมีรูปมีกลิ่นมีความคิดนึก มีสัมผัสมีเสียงผ่านเข้าผ่านออกประตูมีคนเข้าคนออกต้องมียามไปดูประตูคืออเยตนะภายในได้แก่ตาหูลิ้นกายเป็นต้นคนเข้าคนออกได้แก่อเยตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงพุทัพทพแล้วก็ความคิดนึกเป็นต้นยามที่จะไปเฝ้าก็คือสติ ในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเราเรียกวิธีการนี้ว่าอาณาปานสติพื้นฐาน้นวังเบสิกเบสิพื้นฐานเบสิกนี่แหละมันต้องแน่นซ้าย้าเข้าไปยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งมั่นคงยิ่งมั่นคงยิ่งพึงได้ที่พึงนี่แหละมันสาคัญ เวลามีปัญหาอะไรก็การไหลบึ้บเข้าลมายใจทันทีเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งสถน ก, การบุ่นวายไ่ไงไรไงนะงนะสังเกตดูหายใจลึกๆสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตรงไหนเอาจิกรเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นวันนี้เราจะสร้างอาวุธจะสร้างอาวุธที่เรียกว่าปัญญาวุธ เราไปทำอะไรนะก็ไปตัดกิเลสกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเรามันฟื้นฟูขึ้นมาได้จากภาษาัที่มากระทบก็ไอ้ตอนที่เราสังเกตดูลมหายใจสังเกตดูแล้วแยกแยะได้ว่านี่ความคิดนะอันนี้จิตนะอ่าอันนี้เป็นภาัษานะแยกแยะแล้วเราก็แยกตัวในการที่ว่าเออจะไม่ไปเกลือกกลัวในสิ่งนั้น เราก็ระลึกไปในทางที่ดีแยกๆอย่างนี้แล้วแยกตัวอย่างนี้ด้วยสามารถที่จะระลึกไปในทางดีได้ด้วยแล้วกิเลสมันก็ไม่มาไงนั่คือตอนที่เราตั้งสติได้ไงกิเลมันไม่มีแล้วแต่มันยังแฝงตัวอยู่มันยังซึมซาบอยู่ในช่องทางใจไม่จุดใดจุดหนึ่งหลบเก่งนะหลบได้เนี่เพราะว่าอวิชชาเนี่ยมันปกปิดเอาไว้ ยิ่มันเหนียวทําไมตัดแล้วมันไม่ออกออกแล้วยังออกมาอีกนี่เนียนพระบรมมีรากคือตันหาไปยึดโยงเรื่องรัดมันเอาไว้เราจะตัดเจ้าตันหาฝันเจ้าอาวิธฉายให้ออกไปต้องใช้อาวุธคือปัญญาท่านฟังเออวันนี้ฉันปฏิบัติทำแล้วดีแต่พอตกบ่ายมาพูดเรื่องคนนั่นพูดเรื่องคนนี้โอ๊ยมันยุ่งใจวุ่นวายอีก อ่าเดี๋ยวตอนเย็นมานั่งสมาดีนั่งสมาธิก็ดีตอนเช้านั่งสมาธิก็ดีตอนกลัวมันออกไปทำงานไม่ดีอืมปัญญานกาฟังมันไม่ได้มีไว้แกงกินนะแต่มาฟังฟังในช่วงของสมการชีวิตคราพอาจาอธิบายไว้ถึงปัญญาในการที่เราต้องใช้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีอยู่จุดหนึ่งที่พูดถึงปัญญา จะต้องเอาไปใช้ในการที่จะเอาตัวรอดจากสังสารวัตรให้พ้นจากภัยปัญญาไว้ใช้ในการที่จะรู้อริยสัจสี่ปัญญาที่จะไว้ใช้ในการตัดกิเลสไม่ได้อธิบายในตอนนั้นหรอกประเดนเรื่องสมการชีวิตอธิบายเรื่องการทํางานเรื่องการใช้ปัญญาในรูปแบบอืน่นๆไปแต่ปัญญาตัดกิเลสจะมาอธิบายตอนนี้ในช่วงของจิตตวิเวกว่าปัญญาที่เราต้องสร้างขึ้นมา พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัด ก, กิเลสเป็นปัญญาที่ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิก็ต้องอาศัยสติเป็นพื้นฐานจะมีสติจะมีสมาธิได้คุณก็ต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องมาก่อนอย่างน้อยนะทิฏฐิมันก็คือปัญญานั่นแหละปัญญาเล็กๆน้อยๆตัว่ามาเสริมให้เป็นปัญญาอันยิ่ง ให้เป็นปัญญาที่แข็งกร้าให้เป็นปัญญาที่กว้างขวางให้เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งมีปัญญาที่ร่าเริงมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำระกิเลสกิเลสจะถูกชำระออกไปได้ต้องด้วยปัญญาเท่านั้นเอเขาว่าเรามาตั้งสติเอาอว่าเรามากำหนดจิตคอยสังเกตดูสมาธิเกิดขึ้นนี่ กิเลสถูกชำระออกชำระออกไปแล้วนะตำรังเพราะไม่งั้นเราก็จะฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตไม่สงบไปตามราคาโทสะโมหะที่เกิดขึ้นนะ่ะแต่มันถูกตัดออกไปบ้างแล้วที่ถูกตัดออกไปบ้างแล้วนั่นจะไม่ใช่อะไรนอกจากปัญญาเท่านั้นเป็นตัวที่จะตัดออกไปมาตอนไหนนี่ไม่เห็นรู้ตัวเลยเหมืแต่ตอนที่เรามีทิฐิที่ถูกต้องดิวัชชนจะต้องมาตั้งสติตาความเพียร จะมมีสัมมาสติจะมามีสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิมันนำมาก่อแล้วนั่นแหละมันไถสไล์ตัดถูรูดกิเลสออกไปให้เราแล้วเบืองตนเฉยในความลึกซึ้งลงไปกิเลสมันยังมีอยู่เราจะเอาอาวุธคือปัญญาไปใช้ในการแสะไปนในการลอกไปนในการกำจัดมันออกมาต้องใช้ปัญญาในการพิจารณา พิจนารนณาว่าอะไรบ้านเอาคุณต้อมาหากินจะมีบ้านมี่เรือยมีที่อยู่รถเอา้าคุณตอมาหากินจะมีรถคันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานห้างๆเก่าๆก็ตามรถมอเตอร์ไซค์มือสองก็ไม่ว่าอะไรหรือจะเป็นรถกระบะมือสามมือสี่แล้วไม่มีปัญหาหรือว่าอาจจะเป็นรถเก๋งมือหนึ่ง เก่งจากค่ายญี่ปุ่นค่ายยุโรปมึงคนโน่นขึ้นเครื่องบินถือกระเป๋าแอร์เมสแล้วก็ใส่ส้นสูงมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไม่ว่าจะเดินทางแบบไหนเราใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งนั้นจะเกิดด้วยอนุภาพของอะไรอาจจะเป็นบุญอาจจะเป็นปัญญาอาจจะเป็นอะไรที่เราสะสมมาหรือฟลุกๆได้มาเอาตามแต่ที่มีไม่ว่าอะไร จะละเอียดคือประณีตจะหยาบไม่มีปัญหาสิ่งนั้น เ, นเกิดขึ้นได้ในโลกมนุษย์นี้เป็นธรรมดาสุขทุกเกิดขึ้นได้เกิดแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังใช้ปัญญาวุฒอาวุธคือปัญญาดูดูอะไรดูว่ามันคืออะไรการเดินทางของเราเนี่ยภานะที่เราจะใช้ไปนี่มันคืออะไร โอ้ท่านบอกจักรยานโอ้ท่านบอกรถถังโอ้ท่านบอกเครื่องบินสิ่งนั้นคืออะไรใช้ปัญญานะดูทำจากอะไรพวกนี้เหล็กบ้างไม้บ้างมาประกอบกันดูครับรถยนต์อ่ะมาตรฐานเอารถยนต์มากันนึงถ้าเราเอาฝากระโปรงออกเอาล้อออกเอาเครื่องยนต์ออก เอากระจกหน้ากระจกข้างกระจกหลังเอากระโปรงท้ายเอาบังโคลนเอาช่วงล่างอะไรออกหมดวางเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิ้นนี่รถยนต์เนี่ยอยู่ไหนส่วนไหนคือรถยนต์ก็นี่แหละท่านคือรถยนต์ไหนอะลองชี้เฉพาะจ่อจงดูไหนชี้ไปตรงนี้มันก็คือเหล็กชี้ไปตรงนั้นมันก็คือยางชี้ไปตรงนั้นมันก็คือแก้วชี้ไปตรงนี้มันก็พลาสติก ชีพไปตรงนั้นมันก็มาให้ไหนคือรถยนต์ไหนคือรถยนต์มีแต่เหล็กแก้วม้ยางองค์ประกอบต่างๆรถยนต์เนี่นะมันมาภายหลังเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันประกอบกันขึ้นมาด้วยดีไซน์การออกแบบแบบนี้เราก็เรียกว่ารถเก่ง ดีไซน์การออกแบบแบบนี้เราก็เรียกว่ารถกระบะดีไซน์การออกแบบอีกแบบหนึ่งเราก็เรียกว่ารถจักรยานบางทีก็เป็นเครื่องบินก็แล้วแต่ที่เขาจะประกอบขึ้นมานี่ต้องใช้ปัญญาในการเห็นนะจะมาบอกว่ารถจักรยานไม่ดีรถเก๋งดีกว่ารถเก๋งจากผู้ผลิตนี้เป็นของรูของเลิศรถเก๋งจากผู้ผลิตอันนั้นเป็นของเลวของซ้ ก็เรื่องหยาบละเอียดประนีเราค่ามาแล้วเราแค่ให้เห็นในความหยาบหรือความละเอียดหรือความประณีนั้นๆว่ามันเป็นของตัวมันเองหรือไม่หรือมันต้องประกอบจากสิ่งอื่นนี่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาในของละเอียดประณีก็ได้เห็นด้วยปัญญาในของเหลวของหยาบก็ได้คนนอกเกิดมาไม่เท่ากันล่ะ จะบอกว่าทุกคนต้องมีสิทธิเท่ากันคือมันไม่เท่ากันหรอกตั้งว่างผูดด้ใดเฉยพยายามทําก็ไม่สําเร็จหรอกเพราะมันก็ได้แค่นี้คือคนเรา ม, มันเท่ากันอยู่แล้วในความที่ว่าเกิดมาต้องเจอสุขเจอทุกข์เหมือนเหมือนกันสุขพอๆกันทุกข์พอๆกันโลกนี้อันนี้มีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วความเท่าเทียมกันอย่างอื่นมันไม่ได้หรอกบุญมนคนเรามไม่เท่ากันเพียงแค่ให้มีธรรมะนะพอมีธรรมะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันปรับลงตัวได้ คือความเท่าเทียมไม่ใช่จะเป็นการลงตัวนะทอกฝังบางทีเท่าเทียมอยู่แต่ไม่ลงตัวเสมมติอ่ะคุณจะบอกว่าเอ้อเอาให้ท่านพระสารีบุตรต้องเท่าเทียมกันกันกบพระพุทธเจ้านะเอาขึ้นให้นั่งบนอาสนะพระพุทธเจ้าตัวหน่งสูงกว่าขึ้นไปมันเท่าเทียมอยู่จะบอกว่าให้เกิดความเท่าเทียมต้องทำอย่างนี้คือมันไม่ลงตัวไงเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีไม่เหมาะสมความที่ว่าจะลงตัว เหมาะสมตามสถานาภาพด้วยความเท่าเทียมกันในความที่ว่าเราก็มีสุขเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันน่ะแต่ต้องเป็นไปตามธรรมธรรมะนั่นแหละตัวลางจึงจะเป็นตัวที่ปรับให้เกิดควา ม, ามเท่าเทียมให้เกิดความลงตัวกันได้จิตใจของเราให้มีธรรมะในที่นี้คือปัญญามองแยกแยะให้เห็นว่าโอ้นี่มันเป็นกองไม่เที่ยงนะ ยยกแย่ให้เห็นว่าโอ้นี่มันไม่ใช่ตัวตนอัตตาของมันเองนะนี่นะรถยนต์เนี่ยกระเป๋าเนี่ยที่เขาติดยี่ห้อหลุยส์ติดยี่ห้อแอมส์ติดยี่ห้อเวอร์ซายเช่กุชชี่แชเนลแยกแ ย, กแยกดูทำมาจากอะไรบางใบก็ทำมาจากผ้าบางใบก็ทำมาจากหนังบางใบก็ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์ บางใบทาฟังทรมาจากถุงปุย๋ยเอาลองแยกแยะดูอยากแยกด่ดูจะเลวประนีตหยาบละเอียดไม่มีปัญหาลองมาเจอปัญญาดูฟาดลงไปใช้ปัญญาวุฒิเป็นเครื่องมือพิจารณาจี้จอลงไปด้วยจิตใจที่มีสติสมาธิสัมปชัญญะดูสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากอะไรกใช้วัตถุดิบของมันนั่นแหละแยกออก ตรงนี้เป็นฮาร์ดแวร์เป็นโลหะติดไว้ ay, แยกออกตรงนี้เป็นไดด์ดึงออกตรงนี้เป็นตะเข็บเลาะออกตรงนี้เป็นซับในปเปิดออกแยกออกเป็นชิน้นแยกออกเป็นส่วนๆไหนกระเป๋าอ๋อวัสดุนี่เหมือนกับวัสดุนั้นเลยโอ้ส่งมาจากผู้ผลิตเดียวกันนี่มันของ O E M หรือว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ วัสดุเดียวกันคล้ายๆกันโอ้แต่มันเป็นแค่แบรนด์แล้วตรงไหนคือแบรนด์ตรงไหนในลองชีด้ดูตรงไหนคือกระเป๋าอันนี้ก็ผ้าอันนี้ก็หนังหนังก็หนังนี่หนังมนไม่ใช่กระเป๋าผ้าก็ผ้าที่ผ้ามันไม่ใช่ผ้าด้วยผ้ามันคือได้วัสดุต่างๆที่เอามาประกอบกันตั้ังเป็นอะไรละ่ะก็ตามแต่ที่จะปรุงแต่งที่จะดัด แปลงที่จะประกอบให้เป็นเงื่อนไขปัจจัยกันขึ้นถ้าเงื่อนไขปัจจัยเกิดจากการปรุงแต่งแบบนี้ขึ้นมาเป็นกระเป๋าเราก็เรียกมันว่ากระเป๋าไงสังขารดมฝังคือการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปขึ้นมาโดยความเป็นรูปอย่างหนึ่งอาศัยวัตถุดิบต่างๆ ในที่นี้คือได้คือผ้าคือหนังมาประกอบกันปรุงแต่งเรียกชื่อใหม่ว่ากระเป๋าถ้าจากผู้ผลิตนี้เราก็เรียกว่ากระเป๋าแบรนดน์นี้เขาก็ตั้งราคาขึ้นมาราคานี้นมาจากไหนเขาก็หบวกเอาสมมุติเอาสมมุติจากอะไรเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งอย่างนั้นน่ะเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งจากอะไรค่าการตลาดของเขาก็ใส่ไว้ดิจ้างดารามาโฆษณา จากนักการตลาดมาทําการตลาดก็บวกเข้าไปเก็บวกค่าวัสดุบวกค่าวัตถุดิบค่าส่งของเออแล้วก็บวกเข้าไปอีกสักสองสร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ตั้งราคาขึ้นมาก็ตามแต่เงื่อนไขปัจจัยที่เขาจะปรุงแต่งขึ้นมาออหรือว่าเอาถุงปุ๋ยมาทําดูวัสดุมันก็เป็นอย่างงี้อา่าบวกค่าขนส่งนิดหน่อยเออบางทีแถมไปเลยซื้อปุ๋ยก็แถมถุงด้วยเอาก็ราคาเท่านี้ ก็กำหนดขึ้นมาตามแต่เงื่อนไขปัจจัยที่ว่ากำหนดขึ้นนั่นนะคือสมมติขึ้นสมมติขึ้นเฉยๆสมมติขึ้นว่าราคาเท่านี้สมมติขึ้นว่าเรียกว่าแบรนดน์นี้สมมติขึ้นเรียกว่ากระเป๋าแบบนี้กระเป๋ามาก่อนฝั่งมันก็คือหลังนั่นแหละเขาไปใส่ของเดี๋ยวนี้จะมีกระเป๋าถือกระเป๋าสปายกระเป๋าเป้ กระเป๋าติดโอ้มันจิปาถะซับเทคนิคยากเยอะแยะรถยนต์ก็พอกันนะเมื่อก่อนก็มีแค่รถยนต์ก็ไม่ได้เรียกคาด้วยนะก็เรียกออโตโมบิลเผื่ออะไรที่มันเคลื่อนที่ได้นะก็เรียกว่ารถแล้วคนไทยก็มาเรียกว่ารถยนต์รถยนต์นี่มันอะไรอะ่ะรถเกง๋งหรือว่ารถกระบะก็อยู่ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยเขาปรุงแต่งมาเป็นแบบไหนถ้ามีที่บรรทุกของมาก ก็สมมติเรียกชื่อเอาว่ามันคือรถกระบะถ้ามีที่ใส่คนเยอะก็สมมติเรียกเอาว่าเป็นรถตู้แต่เป็นรถแบบลุยๆหน่อยก็เรียกว่ารถ SUV สมมติเรียกตามแต่ลักษณะการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขปัจจัยของเขาเป็นมาอย่างไรให้เกิดความเข้าใจตรงกันก็สมมุติเรียกเป็นแบบนั้นแบบนั้น เราใช้ปัญญาวุฒิฟาดลงไปพิจารณาลงไ ป, รงไปตรงจุดที่เป็นสมมตินี่แหละสมมติผัวเมียก็ได้เอา้าผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนั้นเออมีความรักมีความปรารถนากันเราก็สมมุติว่าเออนี่คือสามีนะนี่คือภรรยานะเฮ้แต่ความรู้สึกนี้มันไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะชายกับหญิงหรือหญิงกับชายมันเกิดขึ้นกับหญิงกับหญิงก็ได้ เกิดขึ้นกับชายกับชายก็ได้กว่ามีแบบแยกไปอีกอะ่ะกว่าจะแต่งงานแบบไหนโอ้เดี๋ยวนี้หลายอย่างก็สมมุติเรียกว่าอันนี้คือสามีนะนี่คือภรรยานะนี่คือคู่ครองกันนะเรียกกันขึ้นมาตามแต่เงื่อนไขปัจจัยที่เกิดขึ้นเราดูเรามีพ่อมีแม่นี้พ่อแม่คลอดล อ, อ, อกมาเสร็จปุ๊บเราก็เรียกกันบ่พ่ อ, ร อ, เ, อเรียกทันบ่นมแม่เราทำไมต้องเรียกทันบ่พ่อเรียกทันบ่แม่ก็สมมุติเรียกไง ตามอะไรเนี่เงื่อนไขปัจจัยของอะไรของการที่ให้กําเนิดกันมาปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ก็จึงเรียกชื่อเฉพาะพิเศษโอ้ยบางคนดูแลเราด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้ให้กําเนิดแม่แต่เราก็เรียกคุณพ่อเรียกคุณแม่ได้โอ้ยบางคนก็อายุใกล้เคียงพ่อแม่เราพอเรียกพ่อก็เรียกพ่ออายุใกล้เคียงแม่พอเรียกแม่ก็เรียกแม่เรียกได้หมด่ะก็ตามแต่ที่คุณจะสมมุติตามแต่เหตุปัจจัย เงื่อนไขปรุงแต่งกันมาจึงมีการสมมุติเรียกสิ่งต่างๆขึ้นแม้แต่ธรรมะ เ, เองก็ตามต้งฝังก็เป็นเรื่องของสมมตุติแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามต้งฟังเป็นเรื่องของสมมตุติสมมุติในแต่ละอย่างในแต่ละอย่างมีประโยชน์มีโทษมีคุณมีอันตรายไม่เท่ากันเราจึงต้องรู้จักแยกแยะ ให้เหมาะสมคุณฟังอาจจะงงนะว่าทําไมจะมาเป็นเรื่องสมมุติหรอใช่พระเจ้าก็เป็นเรื่องสมมุติหรอใช่สมมุติยังไงก็อยู่ในสังกต ธ, ธรร ม, มนี่ก็สมมติทั้งนั้นแหละอยู่ในธรรมะที่ต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งทุกอย่างเป็นของสมมุติอยู่แล้วในโลกนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นเรื่องสมมุติหมดทําไมว่าอย่างนั้นเพราะอาศัยเงื่อนไข ปัจจัยการปรุงแต่งอาศัยกันมาแล้วมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะท่านผูฟังการที่มันไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองหูนะเอาโอ้โหดูหูมันจะไปดูได้ไงท่านฟังสิฟังฟังดูฟังไม่ใช่ดูแต่ฟังดูหูมันก็คือกายของเรานี่แหละกายนี่มันอาศัยอะไรมาหัวัยทาสี อาศัยมารดาบิดาเป็นารเกิดอาศัยกรรมจึงเกิดเป็นร่างกายเราเป็นอิจตนะขึ้นมาการเกิดนดูฝั่งพระพุทธเจ้าบอกว่าคือการที่สัตว์ได้อิจตนะของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นของสัตว์ประเภทนั้นประเภทนั้นถ้าเกิดเป็นหมาก็ได้หูหมามาถ้าเกิดเป็นนกก็ได้หูนกมาหูนกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าตามันหรอกตาห ม, มามันก็ไม่ค่อยดีเท่าหูมันหรอก แต่คนกับหูคนมันก็ไม่ได้ดีเท่านกหรือหมาหรอกเพราะไปตามประเภทของสัตว์นั้นๆนั้นๆ น, นตามแต่ว่าอายตนะไหนมันจะเป็นยังไงตามการปรุงแต่งไงหูมันก็ไม่ใช่ตัวมันเองแต่มันเกิดจากเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเราจึงเรียกมันว่าอะไรนะหูพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผย จำแนกแจ้งแจงสิ่งที่เป็นสมมุติเหล่านี้ให้เราเกิดความเข้าใจตรงนี้แหละที่เรมต้องแยกแยะให้ชัดเจนแล้วว่าสมมติบางอย่างสังฆธรรมบางประการจะมีประโยชน์มีคุณเพราะว่าให้เกิดปัญญาได้ในขณะที่สังฆก ร, รรมบางอย่างมีโทษมีอันตรายเพราะอะไรเพราะ มันทําให้เกิดตันหาทําให้เกิดการปรุงแต่งต่อไปที่จะเป็นโทษเป็นอันตรายเป็นสิ่งไม่ดีพาเราไปในการที่จะให้เกิดความทุกข์โทมนัสต่างๆมากมายสังคตธรรมหมดนะาำบังแต่เราต้องรู้จักแยกแยะเหมือนอย่างที่กาพิจารณ์เคยพูดเอาไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งประกอบด้วยทั้งประโยชน์คือคุณประกอบด้วยทั้งโทษคือความเศร้าหมองคือความอันตรายคือโทษนั้นต่ำซาม มีทั้งสองอย่างแต่สัดส่วนไม่เท่ากันสิ่งที่เป็นอันตรายมากมีประโยชน์น้อยมีโทษอันต่ำซามสูงมีคุณนิดเดียวนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องระวังอย่าเข้าไปเสพบคบให้ละสิ่งเหล่านั้นคือตันหาคืออวิชชาคืออกุศนธรรมเพื่อนชั่วอยบมุกสิ่งลามกทั้งหลายปรุงแต่งเหมือนกันสมมุติเหมือนกัน แต่มีโทษมากมีคุณน้อยในขณะที่บางสิ่งที่มีคุณมากโทษก็มีอยู่แต่น้อยเปรเียบเทียบกับคุณของเขาประโยชน์ก็มากให้เรารีบเสพรีบปฏิบัติรีบทํารีบนํามาใช้เช่นความเพียรความเพียรมีโทษนะทุกฟังทำให้เราเหนื่อยมืองดีทํำให้เราแบบเมื่อยแต่ว่าคุณมันมากกว่า คุณในการที่จะให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้โอ้หนี้ดีเอาเงินออกมาทำหรือสมาธิเอาสมาธิทําให้เราจิตใจชุ่มเย็นสุขน้ออยู่ในนี่เออแต่โทษไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือมันไม่เที่ยงมันเกิดได้ดับได้แหมแ ม, มันไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เอาเอาสิต้องพัฒนาให้เจริญแต่ไม่มากแยกแยกให้ออกอันไหนมีคุณน้อยมีโทษมากไม่เอา อันไห้มีโทษน้อยมีคุณมากเอาซิตั้งเอาไว้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมตัมบูฟังมันจะหล่อลลอมมันจะประกอบเข้าจนมันสูงสุดอะพีกสุดๆเนี่ยคือตรงคมคือปัญญาใช้ปัญญาเป็นอาวุธมีดาบเนี่จุดที่สําคัญที่สุดคือตรงคมของเราที่จะฟาดฟันเข้าไปในสิ่งที่เราต้องการตัด ต้องการผ่าแม้แต่ว่าถ้าคมกริบเลยนะแต่มีดไม่แข็งแรงฟันก็ไปกระหักคมยุแต่ต้องแบบค่อยๆคมยุแต่ว่าแต่ได้นิดเดียวมันก็แบบว่าเศร้าหมองในจุดนั้นๆมีก็ต้องมีความแข็งแรงความแข็งแรงนี่ก็คือสมาธิทที่นกึกพูดโดยองค์รวมๆก่อนนะทุกฝังงบนไอสมาร์ี่มันก็ยึงจะต้องมีหลายอย่างละ่ะความยาวความคล่องแคล่ว น้ำหนักอะต่างๆมันมีผลหมดนอกจากนี้ความแม่นยำในการใช้ความแม่นยำนั้นก็คือสติความแข็งแรงของอาวุธคือมีดนั้นคือสมาธิความคมของอาวุธคือมีดนั้นคือปัญญาเราเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันฟาดลงไปคาว่าฟาดนี่คือประหารประหารนี่คือฟันลงไปฝันลงไปปรหารลงไปนี่คือพิจารณาลงไป ใครกุลนลงไปจี้จอลงไปความสัมพัน์ในครอบครัวก็รึ่งสมมุติสามีปริยาพ่อแม่ลูกพิจารณาลงไปในเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้ามันก็ไม่ใช่เสื้อแนละมันก็คือผ้าไม่ใช่ผ้ า, ม, ผามันก็คือได้พิจารณาลงไปพิจารณาลงไปในรถของเรารถมันก็คือเหล็กนั่นแหละแยกกันออกมาเขาเรียกว่าเศษเหล็กตั้งชื่อใหม่ขึ้น ตอนแรกก็เป็นรถอยู่แต่พอแยกส่วนประกอบแล้วความเป็นรถมันหายไปแต่เอาไปทําเป็นโต๊ก้กุ้งกระดิบโต๊ะที่ทําจากรถก็มาดีหรือว่ารถแล้วกุ้งกระดิบเศษเหล็กไปเราพิจารณาดูในกรณี้ด้วยปัญญาอย่างชัดเจนโดยไม่มีอากติไม่ลำเอียงแต่เห็นตามเนื้อผ้าของเขา พิจนารนณาแยกแยะอย่างนี้แล้วนี่คือปัญญาในการที่จะชํำระกิเลสชํำระตรงไหนเพราะว่าพอเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่สมมติบัญญัติแล้วนะแต่เห็นตามสัจจะสมมติใช่ไหมคือหมายว่าเรียกขึ้นตามแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยป ร, ปรุงแต่งแต่จริงๆมันคืออะไรนี่ไงเห็นตามความเป็นจริงนี่จริงๆคืออะไรจริงๆริงคือเล็กเล็กจริงๆก็ไม่ใช่เล็กด้วย มัคือองค์ประกอบของ ron, ron, on, อิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนแรงต่างๆประกอบขึ้นมาซึ่งไอตรอนตรอนอะไรเนะี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันกับ น, น้ํากับไฟกับดินมันกรธาตันแหละธาตุต่างๆประกอบขึ้นมาประกอบขึ้นมาตามเงื่อนไขปัจจัยมันเป็นแต่ของสมมุติแล้วจริงๆมันคืออะไรธาตุแม้แต่ธาตุจริงๆของธาตุแล้วมันก็แยกส่วนต่อไปได้เดี๋ยวนี้ก็ค้นพบอนุภาคควักนี้ เล็กลงไปกว่าอตอนมีอ้อาวแล้วมันจริงๆมันคืออะไรจริงๆท่านจึงบัญญัติมาจริงๆริงจริงจเลยนี่นะจริงๆเลยเนี่ย น, น, นะสัจจะเลยเนี่ยนะมันคืออนัตตานะอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเนี่คือมันไม่ใช่ตัวของมันเองนะคือมันเล่าสสยเงื่อนไขปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยมาเนี่เอาคอนเซปต์เนี่ยเข้าใจให้ได้อนัตตาอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนไ ม, ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของมันด้วยที่ว่าไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของมันด้วยที่ไม่ใช่ของมันเนี่ยเพราะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยคอนเซปต์นี้นะทุกฝังให้มันซึ้งให้มันลึกเข้าไปในจิตใจเพราะอะไรตรงนี้ที่มันจะซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเราได้ทำไมเพราะมันละเอียดไง สับให้ละเอียดพิจารณาให้รอบคอบละเอียดละเอียดที่มซึมก็ไปในจิตใจแล้วอะไรเล็กๆน้อยๆกัดมันผ่ามันแยกแยะออกหมดน่ะกัดทะลุผ่าเลยว่าโอ้ไอ้ละเอียดละเอียดเนี่มนนนนมนมน ย, ออ ม, ย, ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราใช่ไหม น, นะเป็นนันตตานะสิ่งต่างๆนะเวลาที่กิเล ม, มันจะเกิดคุณบอฟังมันน่าใัยความยึดถือ ความยึดถือคืออุปทานก็อาศัยตันหาตันหาก็มีรากจากอาวิชชาโอเคนะพอเวลาเราใช้มีดคือปัญญาเราฟันในเจ้าราคะโทสะโมหะไปคือเหมือนฟันวัชพืชบนพื้นดินแต่ว่ารากหัวหนอมันยังอยู่หรือมันโตใหม่ได้คือปัญญาเบื้องต้นที่เราใช้ในการตั้งสติมีสัมปชัญญะให้เกิดสมาธิ สีนี่เป็นพื้นฐานมาอยู่แล้วอันนี้คือปัญญาที่เราฟันสิ่งต่างๆทุท่ๆไปให้มันราบเรียนนิ่งละจี่เป็นสมาธิลกทีนี้ไอ้ตรงรากมันนี่แหละเราจะขุดเสาะลงไปเราจะดึงรากหัวเง่ามันออกมามันคือตัณหาอุปาทานอภิชาเวลากิเลสมันจะเกิดมันอาศัยอุปาทานเกิดมันยึดถือก่อนใช่ละ่ะแต่พอเราพิจารณาด้วยความดีว่า เฮ้นี่มันเป็นอนัตตานะนี่นะความจริงที่มันละเอียดละเอียดตรงนี้ยมันซึมซาบลงไปเนี่ยความยึดถือเกิดไม่ได้นะธรรมฟังยึดถือเกิดไม่ได้นะธรรมฟังซ้ําอีกครั้งนึงนะถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเออเนี่นเป็นอนัตตานะเออนี่เป็นอนัตตาเออไม่ใช่ตัวตนแล้วยังเกิดความยึดถืออยู่ใช่ปะ่ะอันนั้นยังไม่ละเอียดพอซ้ำอีกดูซ้ําอีกดูผมดู ขนดูเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกดูดินใช่ปะน้ำดูเอาน้ำดีน้ำเสลน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำลื่นหลอ่อคอปรสิสุทธดูไฟอ่ะไฟยังไงอบอุ่นไฟยังไงเราร้อนไฟยังไงสุดโทมไฟที่เผาอ่านให้ไม่ให้ย่อยไปล้มอ่ะ ลมพัดลงเบื้องต่ำก็ลมพายลมออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็เรอออกลมเล่นไปในกายลมหายใจเข้าหายใจออกพวกนี้เป็นนรตานะไม่ต่างอะไรกันกับดินน้ำไฟลมภายนอกก็ไม่ต่างอะไรกักบภายในเพราะมันก็มาจากภายนอกอแล้วตัวเราอยู่ไหนนี่ลองฟังดูลองหาดูเป็นนนตาไงโอ้โอ้โอเป็นนานตาโอเคโอเค แถ้ามันยังยึดถืออยู่ใช่ปะยังไม่ละเอียดพอมันยังยึดถืออยู่ได้เอาใหม่ซ้าอีกซับให้ละเอียดสับให้ละเอียดบใยดบให้เป็นผุยผงบทดู่กายของเราดิเผาดูก่อนบดก็เผามันจะได้งานน้อยหน่อยสิ่งที่เป็นของแข็งเช่นกระดูกมันก็กลายเป็นฐานสิ่งที่เป็นของเหลวเป็นเนื้อเยือ่อ มันก็กลายเป็นกี่เท่าเอามาบดดูบดจนเป็นผงตำขยี้บนกันจนให้เข้ากันไปเป็นผงแป้งเลยแล้วไปโรยในน้ำที่มันเป็นกระแสปัดแรงเชี่ยวจัดหรือว่าโรยไปในอากาศที่เป็นกระแสลมที่ปัดแรงผงฝุ่นร่างกายเนี่ยไม่เหลือเลยนะทุกฟังไม่เหลือเลย เอาแล้วที่เป็นตัวเป็นอะไรที่แบบมันมันยังอยู่ไหนนะหายเบดไม่เหลือแล้วว่างเปล่าจ้าความเป็นตัวตนพิจารณานะพิจารณาที่เป็นสัญญาเป็นนัตตะสัญญาเป็นอนิจจสัญญาคือความหมายรูปแบบนี้หมายรูปแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตนั้นคลายกำนัดเพื่อให้จิตนั้นคลายความยึดถือเพื่อให้จิตนั้น ไม่หลงตรงคลายกำหนิดกลายความยึดถืออุปทานนั่นแหละมันอยู่ไม่ได้อุปทานจะถูกลอกออกไปกุปทานลอกออกไปแล้วไงกิเลสมันเกิดไม่ได้ไงทุกฟังเพราะากิเลสมันจะเป็นหนอเป็นชอบเป็นอะไรกิ่งออกมามันต้องมีตัวความยึดถือเป็นตัวที่เชื่อมต่อไปเป็นกับตัณหาเชื่อมมาจากเชื่ออบิจายึดถือไม่ได้เพราะเราเราพิจารณาด้ยความนันตานแล้วใช่ปะต่อไปอีกดู ตันหามาได้ไงเราก็อุอปท า, านมาจากตันหาใช่ไมล่ะเพราะมีตันหาคือความทะยันอยากจึงมีอุปท า, านคือความยึดถืออุปท า, านจะไม่เกิดขึ้นในสิ่งไหนหนอกนอกจากในขนันห้าเราก็เอาขนาันห้าคือกายของเราเป็นต้นมาพิจารณาดูตามที่ว่าไปนี้เอาอุปท า, านเกิดในขนนันหานี้ไม่ได้ใช่ปะอุปท า, านไม่มีอยู่ที่อื่นหรอกนะนอกจากในขนันห้าพอมันเกิดในขันหานี้ไม่ได้แล้วเป็นไงมันก็ไม่มีกระดับไปใช่ปะ เอาแล้วตันหามันยังอยู่ทำไง่าดมันต่อไปอดูวิจนารณามันต่อไปตันหามาไงตันหามัเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคือความตาเยาอยากนะอย่าไปสับสนกับความเพียรตันหามเป็นสิ่งที่ไม่ดีก่อให้เกิดความยึดถือและสิ่งอื่นๆต่อไปที่จะเป็นอกุศลธรรมตันหายู่ที่ไหนตันหาอาศัยเหตุปัจจัยอะไรหาดูหาดู ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งของคือเร า, าจะบอกว่าอุปทานอยู่ที่สิ่งของใช่เพราะอุปทานคือความยึดถือใช่ไหละ่ะยึดถือในสิ่งของยึดถือในตัวตนยึดถือในบุคคลยึดถือในไอเดียรูปเป็นนาสัญญาสังการวิญญาณนี่ได้นี่คืออุปทานใช่ไหมสิ่งที่เชื่อมอุปทานคือตัญหาเชื่อมเข้ากับอะไรลองคิดดูลองคิดดู ลองไคร่กรวนดูเราจะได้คําตอบว่าจิตไงมันเชื่อมเข้ากับจิตอุปทานมันเชื่อมกันหน้าผ่านทางตัญหาเข้ากับจิตของเราเพราะฉะนั้นความทะยานอยากมันอยู่ในจิตเตมูฟังมันอยู่ในจิตอยู่ในจิตด้วยอะไรทําไมเราไม่เห็นมันเลยเพราะมันผูกปิดบังด้วยอวิชชาอวิชชาตนณามันมาด้วยกันมันบังกันอยู่มันซ่อนกันอยู่มันผูกกันอยู่ เราไม่รู้ด้วยอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตเหมือนจะปรากฏตัวออกมาในรูปของความยึดถือให้เราเห็นไปในรูปครถยนต์นเป็นต้นให้เราเห็นไปในรูปที่เป็นบ้านเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นยานพาหนะเป็นต้นนอกจากรูปแล้วยังเวทนาความรู้สึกด้วยสัญญาด้วยความคิดไอเดียสังขารวิญญาณด้วยมันปลกมาแบบนี้ให้เราเห็นบ๊บแบมแบมบงงมึน จับได้บ้างไม่ได้บ้างละแล้วทำไมกลับมาอีกมันอยู่ในจิตเราแทรกลงไปตนาวิชัยอยู่ในจิตอยู่แล้วไงเราก็มาดูจิตของเราดูจิตของเรานี่ดูไม่ต้องฟังแล้วดูเอาดูให้เห็นด้วยปัญญาว่าโอ้อไอ้เจ้าตนาวิชายที่มันซ่อนอยู่ในจิตมันอยู่ตรงไหนคือเราหาไม่เจอหร อ, อกทุกบ่ฟัง เพราะว่ามันมันบังเอาไว้ไงหาไงหาไม่เจอคือมันอยู่ตัวมันอ่ะสมมติว่าเราดูเหรียญนี่นะเราดูด้านหัวมันก็เคลื่อนไปทางด้านก้อยเราพลิกด้านก้อยมาดูมันก็เคลื่อนไปทางด้านหัวพลิกยังไงมันก็หาไม่เจอช่างมันเว้ทิ้งเหรียญนั่นซะเหมือนกันนะจินเราเนี่สงบอยู่สงบเป็นอรมมันเดียวหาไม่เจอรถบาง วิชาเลยเจอก็เจอแต่ความเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละเออมีเหตุก็เกิดผลจะให้มีผลได้ก็ต้องอาศัยเหตุขึ้นมาเหตุผ ล, เ ห, ผลเหตุผลนี่แหละมันเกิดวิชาฮะใช่ฟังดู ด, ดีๆทําไมไมันต้องเป็นเงี้ยก่อนมันต้องมีเหตุมันจึงมีผลยังไงใช่ปะละ่ะอมันเป็นยเงื่อนไม่ได้เหรอไม่ได้อะไม่ได้นีคือไม่รู้ไงเพราะไม่รู้จึงไม่ได้แต่ถ้า รู้นะอะไรมันก็ได้ไงได้ยังไงมันเป็นเรื่องเหนือเหตุเหนือผลนะบางอย่างเอา้าแล้วจะเขา้าใจยังไงเนี่ยต้องใช้ปัญญาไงดูตรงไหนดูลงไปตรงจิต น, นะจิตบางทีเป็นเรื่องเหนือเหตุเหนือผลเข้าใยากอยู่นะทำไมจิตถึงจะไปรู้อารติคนอื่นได้ทำไมจิตถึงจะไปรู้อดีอนาคดได้ทำไมจิตถึงจะทำให้กายมันห่อเหินเดินอากาศได้ นี่แหละเพิ่งที่มันเหนือเหตุเหนือผลเอาเหตุผลนับเป็นยังไงนี่เหตุผลมันมีเหตุผลมีก็เพราะว่าไม่รู้จึงลองอาศัยเหตุผลแต่ถ้ารู้นะเหนือเหตุเหนือผลได้ดูยังไงจิตเราเนี่แหละมันเที่ยงไหมเอาตรงนี้แค่นี้เองจิตของเราที่ว่าเดี๋ยวประพัะสอนเดี๋ยวเศร้าหมอง เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นนั่นคือความไม่เที่ยงไงคือความไม่เที่ยงของจิตจิตที่ไม่เที่ยงปองใ้ได้เศร้ามองได้อวิชชานั่นแหละปัญหานั่นแหละหมันซ่อนอยู่ที่นี่อวิชชาตัญหาซ่อนอยู่ที่จิตเราทำให้เกิดอาการออกมาเป็นความยึดือไปในขันทั้งห้าเราเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยง มีความแปรบรวนไปเป็นธรรมดาไม่ควรคาดแต่การที่จะเข้าไปยึดถือเอาไว้คิดแบบนี้เข้าใจแบบนี้ด้วยปัญญาไม่ใช่แค่คิดด้วยสมองไม่ใช่คิดที่ระหว่างหูหรือคิดด้วยตาแต่ให้ลึกซึ้งเข้าสู่จิตว่าจิต เ, เป็นอจริงๆนะปัญญานี่ปัญญาเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่จิต พะ เ, เกิดที่จิตมีความเข้าใจแล้วถึงหวังอะไรมันก็เป็นไปได้อะไรที่เป็นไปได้นั้นคือเหนือเหตุเหนือผลเหนือเหตุเหนือผลคือไม่ต้องอาศัยเหตุผลนะแต่อาศัยความรู้อาศัยความรู้ที่เกิดขึ้นที่จิตความรู้นั้นนั่นคือวิชาวิชาคือความรู้เพอมีวิชาเกิดขึ้นความไม่รู้เกิดวิชาต้องดับไป พอความไม่รู้คืออวิชชาดับไปตัณหาที่มันอาศัยอวิชชาเป็นอาหารตัณหานั้นก็อยู่ไม่ได้ตัณหาอาวิชชาดับออกไปได้จากจิตของเราความดับนั้นจะทำให้เย็นความดับความเย็นนั้นเราเรียกว่าคือนิพพานนิพพานเกิดขึ้นในจิตในใจของเราทระวัมันจะมีความเย็นมันจะมีความนุ่มนวล ดัแล้วเย็นแล้วแล้วไงต่อสบายแล้วทูฟังสบายแล้วบางคนเนี่ยเป็นโปรโมชั่นให้เห็นก็อ๋อทำมาแบบนี้นี่เป็นอย่างงี้ลักษณะที่ว่าให้เราเห็นนิพพานในปัจจุบันได้หรือคือสิ่งที่เราทําได้ปฏิบัติได้เดี๋ยวนี้เรารักษาความเย็นรักษาความดับรักษาสภาวะของจิตแบบเนี้ยไว้ให้ดีเพราะบางทีมันจะมีการกลับกําเริบ ท่านจึงเตือนออกไปทางฝังบอกว่าชิตันจะรักเขอนิเวสิโนศิยาหมายกว่าว่าเราพึงรักษาความชนะที่ชนะแล้วนี่ เ, เราชนะแล้วทางฝั่งเราต่อสู้กับตันหาอวิชากิเลสมานี่จนจิตของเรามาสงบนิ่งระงับลงนี่คือเราเอาชนะกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเอาชนะมาแล้วเป็นตัวของเราเองแล้ว เราจะตัดสินใจคิดอย่างไรพูดอย่างไรไปตามตานานคลองทานั่นคือตัวของเราจริงๆนะไม่ใช่เป็นไปตามอำนาจความโกรธตามอำนาจความหลงตามอำนาจความรักไม่มีอคติสี่แต่เป็นตัวของเราจริงๆเพราะเราเอาชนะกิเลสเหล่านั้นได้มาผ่านมาแล้วอย่ากลับแพ่อีกในความที่ว่าเออจะกลับไปตามราคาโทสะอีกหรือบางคนนี่มีนิสัยที่ดีแล้ว เช่นแบบเลิกนอนตื่นสายละล้ว ก, ก็เลิกกินของจังฟู้ดมีนิสัยในการออกกําลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอแม้แต่พอหยุดยาวหน่อยใช่ปะน่ะๆเออเขานี่ให้กินหน่ายกินก็ฟาดเรียพ อ, อตื่นสายบ้างได้ป่ะกี่เกียรออกกําลังกายบ้างอะไรก็อ้าว ง, งานมาอ้างไม่ไปว่าไม่ว่างอย่ากลับแพ้ อ, อีกให้รักษาชัยชนะที่มีอยู่แล้วนั้นให้ดี ะอะไรเพราะว่าอะไรที่เราชนะแล้วเรากลับแพ้อีกเนี่ยมันไม่ดีไงท่า น, นฟังมันแสดงถึงความเลื่อมอมันยังมีเยื่ออยู่มันยังมีอะไรเหลืออยู่มันยังเป็นผู้ที่ติดถิ่นที่อยู่อยู่ท่านฟัติดถิ่นที่อยู่ในกรียกย อ, ยอย่างติดกิเลสอยู่ยังติดกับรูปอยู่เวทนาสัญญาสังขารอยู่อย่าไปทางนั้นเธอเผลอหลงไปรีบดึงกลับมาเธอรีบดึงกลับมานั่นคือตั้งสติไว้ให้ดี เราเปฏิบัติกันจนมาถึงป่านนี้ถึงฟังบางคนฟังไม่ถึงป่านนี้นะฟังเครื่องรายการแล้วก็ปิดแล้วแต่ฟังมาจนท้ายที่สุดสุดท้ายสุดท้ายนี่นี่มันคือดีแล้วนะบรรุาท่านเคยเปรเียบเทียบบ่อยว่าเราใช้อาวุธคือมีคือหอกคือคมดาบเอาเชนะคนหนึ่งล้านคนในสงครามสงครามสู้กับคนพันคนหนึ่งพันครั้ง เอาชนะคนหนึ่งล้านคนได้เขาไม่เรียกร้องว่าเป็นยอดของผู้ชนะในสงครามโนโนโนเพราะอะไรเพราะบางทีการรบที่หนึ่งพันเอ็ดคือหนึ่งพันหนึ่งครั้งนี่กูต่อสู้อาจจะแค่คนเดียวคือคนที่หนึ่งล้านกับหนึ่งอาจจะแพ้ก็ได้เพราะว่าชัยชนะอันใดชนะแล้วบางทีกลับแพ้ได้เคยถามรามที่อยู่ทิจะ เราบทที่จ่ายในดำรงชีวิตยอยู่ด้วยการเล่นสกาคือการเล่นการปันเทินแบบหนึ่งบางคนเล่นหวยเป็นอาชีพในกะำังไม่ได้เป็นเจ้ามือนะแต่เป็นคนแทงนี่แหละทำเป็นอาชีพงานอื่นเป็นงานอดิเรกขายของเป็นงานอดิเรกทำงานออฟฟิสเป็นงานอดิเรแต่ว่าเล่นหวยในอาชีพจริงๆบางทีแพ้บางทีชนะใชัยชนะแบบนั้นไม่ใช่ใชัยชนะที่ มีค่ามีประโยชน์อะไรเลยไม่ใช่ใชัยชนะที่แต้จริงแต่ว่าชนะอะไรที่ไม่กลับแพ้อีกนะชนะอะไรที่ไม่กลับแพ้ได้อีกนั่นน่ะคือชัยชนะที่ดีจริงๆนิสัยอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่ากลับไปทำอีกเลิกบุหรี่แล้วให้เลิกตื่นเช้าแล้วอย่ากลับไปตื่นสายอีกบองว่านดี๋จะพักผ่อนได้เรามีสินดีแล้วอย่ากลับไปผิดศินอีก วันเดียจะผิดพลาดได้นิดหน่อยอันนั้นธรรมดาคนบอามันก็ผิดพลาดก็แก้ไขเอาใช่ไม่มแต่อย่า ก, กลับไปมีปกติแบบนั้นอีกบางคนผอมแล้วนี่รักษาอุ ป, ปนิสัยรักษาร่างกายให้ดีอย่า ก, กลับไปอ้วนอีกโรคภัยไข้เจ็บพึงดีมันเป็นมันอาศัยเหตุปัจจัยเส่นบางคนหายเป็นมะเร็งแล้วกลับมาเป็นมะเร็งอีกเนี่ยนะอันนั้นคือชัยชนะที่มันยังไม่ดีไงแต่ถ้าชนะกินเลดในจิตใจของเราเนี่ เป็นชัยชนะที่ดีมันทำให้กลับแพ้ไม่ได้มีทางที่จะให้ไม่กลับกําเริบได้อยู่การไม่กลับกําเริบคือนิพพานไงนิพพานจะทําให้ไม่กลับกําเริบอาศัยอะไรอาศัยอาวุธคือปัญญามีปัญญาวุฒิพิจารณาไล่มาจากพื้นฐานคือสติสัมปชัญญะให้เกิดสมาี่ ใช้ปัญญาเบื้องต้นทำจิตใจขอ้มีความสงบใช้ปัญญาละเอียดลึกซึ้งถึงเป็นผงเป็นอนูเป็นทุลีโรยลงไปกำจัดเจ้าตันหาอวิชชาที่ซ่อนแฝงอยู่ในจิตให้จิตรนนั้นมีความสงบระงับเย็นหนั่งเกิดนิพพานนั่นเองชนะใครก็ไม่สู้ชนะจิตใจของตนเองหรอกคนเขาอยากจะชนะให้เขาชนะไปเราไม่ได้อยากจะไปแข่งขัน ไม่ได้อยากจะไปแข็งดีม่ไอยากที่วัดฉันจะต้องถูกเขาจะต้องไม่ถูกชัยชนะแบบนั้นมังติก็แพ้ได้ชัยเหตุผลสู้กันได้บางทีก็แพ้บางทีก็ชนะแต่ชัยชนะของจิตใจที่เราเหนืออยู่จากกิเลสเราสู้ทางนี้นะ้องวังมีแต่ชนะไม่มีแพ้เพราะว่าท่านพูดที่ชนะแล้วเขาไม่กลับแพ้อีก ท่ผู้ที่ใช้เครื่องมืออย่างดีแล้วคือตามทางมักแบบสามารถได้ใช้ชนะที่ไม่กลับแพ้อีกได้รักษาความชนะที่ชนะแล้วได้ไม่มีความอาลัยเป็นผู้ไม่ติดถิ่นที่อยู่ด้วยปัญญาวุฒิและที่ท่นานได้รับฟังจนไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเวในรายการธรรมรัปรุลเป็นช่วงของการฏิบัิ ที่เป็นรูปแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางจิตวิญญาณให้ทุฟังที่ได้รับฟังมาจนถึงตอนนี้เป็นผู้ที่มีความเจริญในศีลธรรมของพระอริยเจ้ามีสมาทิทฐิงอกงามในใจนำตนไปสู่เส้นทางที่สดใสมีสุขภาพกายใจแข็งแรงปราศจากภัยในวัตตะข้าพเจ้าพร ะ, ระมาหาไปบณญอภิปุโณเจริป